อนาปติวานพิกษณีตอบไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1.036 1. ภิหกษนึ่งพิณีมงอัดสองพิกษณีมงทรรา 3. พ 2, ิกษณี ม, ง, รร ม, 3, ณมงสั่งสอนสภพิกษณีวิกลจริตหภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 3. จบ